ー สาสวันก่อนได้พูดว่าชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเหมือนการเดินทางแล้วก็ได้ขยายความว่าเดินทางเนี่ยนะหมายถึงการเดินด้วยเท้านะไม่ใช่เดินด้วยรถยนต์หรือเครื่องบินและเมื่อเดินด้วยเท้าเนี่ยก็หมายความว่าต้องอาศัยขาทั้งสองข้างที่พอดีกัน ที่ช่วยให้เราเดินได้อย่างสมดุลหรือช่วยให้ความสมดุลเนี่ยเกิดขึ้นในการเดินนะวันชีวิตก็หมายถึงการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างกายกับใจและในกายนั้นเองก็ต้องมีความสมดุลระหว่างการกินกับการออกกำลังกาย นะกินมากแต่ไม่ออกกําลังกายมันก็ไม่สมดุลเจ็บไข้ได้ป่วยเสพ ร, รับพลังงานก็ไปเยอะแต่ไม่เอาไปใช้นะมันก็ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพใจก็ต้องมีความสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ระหว่างความคิดกับความรู้สึกระหว่างการคิดเก่งคิดเป็นกับการรู้จักวางความคิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความสมดุลนะของชีวิตนะที่ช่วยทําให้การเดินทางเนี่ย มันเป็นไปอย่างราบเรื่นขันนี้การเดินทางเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมันต้องมีจุดหมายถ้าไม่มีจุดหมายเนี่ยก็สเปสะสปะนะหรือไม่รู้ว่าจะเดินไปทาไมน ะ, ะงนั้นนอกจากความสมดุลของชีวิตหรือว่าการทำเช่วยให้มีความสมดุลแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งก็คือการมีจุดหมายปลายทาง ของชีวิตนี่จุดหมายของชีวิตคืออะไรเนี่จุดหมายของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่ให้คำตอบว่าเราเกิดมาทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามว่าเกิดมาทำไมนี่มันเป็นคาถามที่อาจจะยังไม่ถูกต้องนักเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนตั้งใจให้ตัวเองเกิดมาในโลกนี้เราถูกทาให้เกิดมามากกว่านะคนที่ทำให้เราเกิดมาก็คือพ่อแม่ ภาษาฝรั่งเนี่ยจะจะชัดเจนจะพูดชัดในเรื่องนี้นะเวลาก็พูดว่าฉันเกิดเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฉันถูกทาให้เกิดนะ I was born คือฉันไม่ได้ตั้งใจเกิดมาเองนะแต่ฉันถูกทำให้เกิดเพราะฉะนั้นถามว่าเกิดมาทำไมเนี่ยก็คงจะเป็นคำถามที่อาจจะยังไม่ไม่ถูกต้องนักนะคำถามที่ถูกต้องมากกว่าคือถามว่าอยู่ไปเพื่ออะไรหรืออยู่ไปทาไม ถึงแม้เราไม่ได้ตั้งใจให้ตัวเองเกิดมานะแต่ว่าการมีชีวิตเนี่ยอยู่มาถึงปานนีน้มันต้องเกิดจากความตั้งใจของเราให้อยู่ไปเพื่ออะไรหรือว่าชีวิตที่ดีที่ควรเป็นสิ่งที่เป็นควรเป็นจุดหมายของชีวิตคืออะไรเนี่ยก็พูดกันเยอะนะแต่และคนก็มีคำอธิบายต่างๆมากมายแต่ที่คิดว่าคนที่พูดได้กระชับที่สุดเนี่ยนะท่านหนึ่งก็คือท่านจาพุทธทาส ท่าบอกชีวิตที่ดีเนี่ยคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะสองคำเนี่ยคลุมในสิ่งที่เป็นสาระสาคัญของชีวิตนะก็คือว่าครอบคลุวทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็หมายถึงว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะอันนี้เรามองค่าไม่ได้มันจาเป็นนะสหรับชีวิตที่ดีแต่ว่ามีประโยชน์ ให้กับผู้อื่นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมประโยชน์ตนและประโยชน์ตนที่ดีที่สุดก็คือความสงบเย็นถ้าพวกเราหลายคนนะก็เป็นพยาบาลหรือว่าเป็นบุคลาก ร, กรด้านสุขภาพโดยอาชีพการงานแล้วก็โดยวิถีชีวิตโดยซ้ําเนี่ยนะก็มุ่งทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแต่ว่าการทำประโยชนกับผู้อื่นเนี่ยนะจะยั่งยืนได้ ก็ต้องมีความสุขเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทำปรี่ยนให้กับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นมีความสุขแต่ว่าไม่มีความสุขมาหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของตนเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ยั่งยืนนะทำไปนานๆก็ท้อทำไปนานๆก็ล้าทำไปนานๆก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงจะทำต่อกําลังกายอาจจะมีนะแต่ว่ากําลังใจไม่มีหลายคนเนี่ย เปลียนเหมือนกับพัดลมนะพัดลมเนี่ยมันให้ความสงบเย็นกับคนอื่นแต่ตัวมันนี่กลับร้อนนะพัดลมที่เปิด น, น, นานๆเนี่ยเราลองจับตัวเครื่องดูนะหรือว่าข้างหลังใบพัดเนี่ยนะมันจะร้อนนะหลายคนเป็นอย่างนั้นนะคือช่วยคนณให้มีความสุขแต่ตัวเองนี่กลับทุกนะแต่คนเราเนี่ยมันไม่ใช่พัดลมนะคนเราสามารถจะทําได้ดีกว่านั้นได้ก็คือว่าในขณะที่ ช่วยผู้อื่นทําให้ผู้อื่นนะมีความสุขตัวเองก็สามารถจะมีความสุขได้และความสุขที่ดีเนี่ยนะก็คือความสงบความสุขอย่างอื่นเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นความสุขที่ประเสริฐเท่าไหร่หลายคนเนี่ยนึกถึงความสุขจากการเสพความสุขจากการมีความสุขจากการครอบครอง วัตถุนะซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกลมรวมว่ากามาสุขนะคือสุตรจากการที่ได้เสพได้ครอบครองได้มีวัตถุที่น่าใคร่ไม่ว่าจะเป็นเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือผู้ง่ายคือว่าการครอบครองมันให้ความสุขก็จริงนะแต่มันก็เจอไปได้วยทุกข์นะมันทุกข์ตั้งแต่มีความอยากแล้วล่ะนะเห็นของที่วางขายตามห้างหรือว่าที่เขาโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือว่าทางคอมพิวเตอร์ทางมือถือเนี่ยแค่มีความอยากนี่มันก็ทุกข์แล้วนะเราสังเกตมันเป็นความเป็นความทุกข์ที่ที่ใจนะคือความร้อนนะมันร้อนนะซึ่งในง่ขอยงชาวบางคนก็ดีนะมันทําให้เกิดความเร่าร้อนไอ้ความเร่าร้อนนี่ก็เป็นพลังที่ผลักดันทําให้ขยันหมั่นเพียร น, นะหรือว่าทําให้เกิดการดิ้นรนให้ได้สิ่งนั้นมาพอได้มาแล้วก็สงบนะความร้อนก็หายไป ได้ความสงบคือความพึงพอใจแต่ว่าพออยู่ไปสักพักมันก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าเกิดความห่วงเกิดความหวงแหนเกิดความกังวลนะกังวลว่ามันจะหายกังวลว่าจะมีคนเอาไปนะได้โทรศัพท์ได้ iPad เครื่องใหม่ราคาแพงนะก็ต้องคอยห่วงนะเวลาจะวางก็ต้องวางให้เป็นที่นะเกิดเผลอวางไว ที่ไหนซักแห่งเนี่ยนึกขึ้นมาได้กังวลเลยหรือแม้แต่ไม่ได้ลืมก็ตามนะแต่เวลาถือนี่ก็ต้องคอยระมัดระวังโดยเฉพาะถ้าเป็นของที่มันขโมยง่ายหรือว่าดึงง่ายเช่นพวกสายสร้อยเพชรทองเนี่ยจะไปในที่ชุมชนคนพลุกพลาดเนี่ยก็ต้องคอยระแวดระวังและบางทีก็คอย คอยมองคนนั้นคนนี้ว่าเขาจะมาเอาของเราไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความทุกข์นะคือทุกข์ในการที่ต้องรักษาไอ้ทุกข์ตอนที่อยากจะมีอยากจะได้นี่ก็ขั้นหนึ่งแล้วแล้วดิ้นรนเพื่อไปเอามันมาบางทีก็ต้องไปเข้าคิวต่อแถวกันเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันวันว น, นี่ก็ทุกข์แล้วนะพอได้มาดีใจชั่วคราวก็ทุกข์อีกนะต้องกังวลกับการรักษาแถม วันหรือคืนมันเสียไปมันเสื่อมไปหรือว่ามันต้องมีอยนเป็นไปซึ่งเป็นธรรมดานะก็ทุกข์อีกเนี่ยที่เราสวนมาสักครูเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะและมันที่คู่กันก็คือต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะประสบกับสิ่งที่ไม่รักเช่นคนมามาตาหนินะของที่เรามี หรือว่ามาแย่งชิงของเราไปอันนี้เรียกว่าเจอคนที่ไม่รักนะก็ทุกข์อีกนะคือมันทุกข์ทุกขั้นตอนเลยนะถ้าเรามีความปรารถนาในความสุขหรือเอาความสุขไปผูกติดกับสิ่งที่เรียกว่าการมาสุขเนี่ยมันจะทำให้เราเจอทั้งโลภะแล้วก็โทสะนะไล่เรีย ก, กันนะอยากได้คือโลภะนะพอเสียไปก็เกิดโทสะนะ เกิดโทสะเพราะว่าเกิดโทสะที่มุ่งต่อคนที่เขาเอาไปหรือเขามุ่งร้ายต่อทรัพย์สมบัติของเราหรือมุ่งร้ายต่อการมาสุขของเรามันจะคู่กันเลยนะโลภะกับโทสะเนี่ยหรือความอยากนะความอยากได้อย่างมีอยากครอบครองกับความอยากผลักสายออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามุ่งไปที่ความสงบเนี่ยนะมันมันดีกว่านะ อันนี้พูเจ้าก็ตอบไว้เองนะสุขอนเนี่ยความสงบไม่มีการมาสุขนี่มันเป็นลักษณะการกระตุนเราให้เกิดความไม่สงบขึ้นมาในจิตใจอยากได้เสร็จแล้วก็กังวลห่วงเสร็จแล้วก็เสียใจเมื่อมันหายไปแล้วก็ขับแค้นใจเพราะมีคนมาเอาไปอันนี้ความสงบเนี่ยนะหลายคนไปคิดว่าจะสงบได้ต้องอาศัยสิ่งวัตถอรม สิ่งววาล้อมที่เงียบสงดนะแต่เดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมนี่มันจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงวัตถุอย่างเดียวนะต้องรวมถึงผู้คนด้วยวัตถุนะไม่มีเสียงดังแต่คนแวดล้อมนี่ไม่น่ารักนะ เ, เห็นแก่ตัวอันนี้ก็คงจะหาความสงบได้ยากหรือถึงแม้วัตถุแวดล้อมดีนะไม่มีเสียงดังคนที่อยู่รอบตัวก็เรียบร้อย แต่ถ้ามันมีสื่อที่อยู่ใกล้มือก็ทําให้ทุกหรือทําให้ใจไม่สงบได้นะเช่นโทรทัศน์หรือว่าโทรศัพท์มือถือข้อความที่ส่งมาอาจจะเย้ายวนให้เกิดความอยากนะหรือว่ายอยุให้เกิดความโกรธนะก็สามารถจะเกิดโลภะและโทสะได้จากสื่อหรือผ่านทางสื่อได้ทั้งนั้นเนะี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลานี้เราพูดถึงสิ่งว่าล้อมเนี่ยนะสิ่งว่าล้อมที่สงบเนี่ย มันก็จะหมายถึงการมีปา่าอยู่ในป่าที่สงบสงัดไม่พอละมันต้องรวมถึงว่าคนที่อยู่ในปา่าหรือคนที่อยู่แวดล้อมเราเขานะทำตัวดีไหมนะทําตัวดีแล้วเนี่ยก็ต้องนะตระมัดระวังไอ้สื่อที่เราอยู่ในมือเราด้วยนะเพราะว่ามันสามารถกระตุ้นให้ใจไม่สงบเกิดโลภะหรือโทสะได้อันนี้ถึงแม้ทั้งสามอย่างเนี่ยนะ สิ่งว่าล้อมทางวัตถุทางสังคมและทางเทคน โ, ทโนโลยีเนี่ยมันเออเฟอร์เกอร์กูลแล้วเนี่ยแต่ถ้าวางใจไม่เป็นนี่ก็ทุกนะทุกเพราะอะไรนะทุกเพราะจิตที่ปรุงแต่งนะปรุงแต่งฝันฟุงฟ้งสารพัดนะและส่วนใหญ่เวลาเราฝันฟุงฟ้งปรุงแต่งเนี่ยมันมักจะเกิดเพราะความเผลอไอ้ความเผลอนี่ก็ถือเป็นความหลงอย่างหนึ่งนะเป็นความหลงนะคือความไม่รู้นะ ความไม่รู้นี่มันมีสองอย่างนะก็คือไม่รู้ตัวกับไม่รู้ความจริงไม่รู้ตัวเนี่ยแก้ได้ด้วยการที่มีสติหรือว่าสร้างความรู้สึกตัวเป็นเพราะความเผลอนะมันทำให้จิตใจเรารุ่มร้อนนะเผลอไป น, นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนึกถึงความทรงจาที่เจ็บปวดนะนึกถึงแล้วนึกถึงไม่เป็นนะถ้านึกถึงเป็นเนี่ยก็อาจจะเอามาเป็นบทเรียนได้ อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยจอห์นโรเจอร์เนี่ยเขานึกถึงเหตุการณ์ในที่เพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแต่แทนที่จะเกิดความเศร้าโศกโมโหคับแค้นเขากลับมองเออมา์มาเตือนให้เขาไม่ประมาท ก, กับชีวิตเพราะว่าอะไรๆก็จะเกิดขึ้นได้จะ ต, ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาการคิดถึงอดีตเนี่ยถ้าเราคิดไม่เป็นคิดด้วยความหลงเนี่ยนะมันก็ทาให้เกิดความเศร้าความโศกความคับแค้นนึกถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอล้วก็ทาให้กโกรธได้ แต่ถ้านึกถึงแล้วเออมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าให้เราระมัดระวังไม่ทำอะไรที่ผิดพลาดมันก็ทำให้เราได้ประโยชน์ใจเราก็ไม่รุมร้อนไม่ขับแค้นนะเพราะคำพูดของคนเหล่านั้นแลวความเผลอก็อาจจะทำให้เราไปนึกถึงเหตุการณ์ในวันข้างหน้าซึ่งอาจจะยังไม่เกิดนะแต่พอปรุงแต่งไปในทางลบในทางร้ายนะ ก็เกิดทุกข์เกิดความห่วงเกิดความกังวลขึ้นมาใจก็ไม่เป็นสุขไม่สงบเย็นให้เราสังเกต น, นะที่เวลาใจเราทุกข์เวลาใจเราร้อนเนี่ยนะถามว่ามันเป็นเพราะมันมักจะเกิดเพราะความคิดปรุงแต่งมันมักจะเกิดขึ้นขึ้นเพราะความเผลอมันมักจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ตัวนี่ถ้ารมีสตินะมันทําให้เรากลับมารู้ตัวสติทํำให้เรารู้ทันว่าตอนนี้ใจเผลอไปแล้วนะไปคิดเรื่องที่ไม่สมควรคิด ไปมุง่งไปจดจ่ออยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะเขาน่าจะทําอย่างนี้เข า, าไม่ควรจะทําอย่างนั้นนะรถไม่น่าจะติดนะแดดก็ไม่น่าจะร้อนฝนไม่น่าจะตกคิดแบบนี้ก็ทําให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันได้ยากมันไม่สามารถจะยอมรับความเป็นจริงในปัจจุบันได้ไม่สามารถจะยอมรับงานที่เราทํากําลังทําอยู่ได้เพราะว่ามันน่าจะเบาวกว่านี้เขาไม่น่าจะโยนงานให้เราทําเนี่ย คนเราเนี่ยรุ่มร้อนในจิตใจส่วนหนึก็เพราะยอมรับความจริงไม่ได้และที่ยอมรับความจริงไม่ได้เพราะมันไปติดกับคำ ว, ว่าน่าจะควรจะหรือไม่น่าจะไม่ควรจะเนี่ยหลมทางการไปคิดถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างในสิ่งที่ในมุมมองที่มันไม่ทำให้เกิดสติปัญญาหรือทำให้เกิดประโยชน์นี่การมีสติเนี่ยมันช่วยทาให้เรารู้ตัวได้ไวนะแล้วก็ ไม่หลงนะเข้าไปในความทุกข์ไม่หลงก็้าไปในอารมณ์นั่ความสงบเย็นนะสติเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะนอกจากการที่รู้จักพอนะไม่มีความไม่มีความอยากในสิ่งที่มันเกินเลยไปนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักพอเนี่ยมันก็อยากไม่รู้จบแล้วก็ทุกข์นะแต่ว่านอกจากความรู้จักพอนะก็ต้องมีสติให้ไวนะ มีสติให้ทันที่สามารถทําให้เราเนี่ยกลับมารู้ตัวได้ไวนะไม่ตกอยู่ในอนํานาจความหลงนะความหลงนี้ภาษาบาลีเรียกล้มเลโมหะนโะโลภะโทสะ ก, ก็ทําให้ทุกข์ก็ทําให้ร้อนโมหะก็เหมือนกันแต่ครนี้ความหลงเนี่ยนะความไม่รู้เนี่ยนอกจากไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการไม่รู้ความจริงนะการไม่รู้ความจริง ฉันไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถจะยึดนะว่าอะไรเป็นเราหรือของเราได้เดี๋ยว่าแต่ของนอกตัวเลยแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันก็นไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งเนั้นทั้งตัวเนี่ยมันมีแต่กายกับใจกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ซึ่งเมื่อวานเนี่ยจย์ออยก็ได้พูดไปแล้วนะเรื่องว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันมีความหมายว้อย่างไรแต่ที่ง่ายคือว่ามันเราควบคูให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสั่งให้มันไม่แก่ก็ทำไม่ได้สั่งให้มันไม่ปวดไม่เมื่อยก็ทาไม่ได้ปวดท้องนะสั่งให้มันหยุดปวดสักทีก็ทำไม่ได้มีแต่ต้องหาทางไปบาบัดด้วยการเข้าห้องสุขขาเนี่ย ห้องสุขขานเนี่ยเราชื่อตั้งชื่อกันเพราะมันเป็นที่ปลดทุกข์ปลดทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเพราะกายมันก็เป็นก้อนทุกข์กันนะใจก็เหมือนกันนะใจก็สั่งไม่ได้สั่งให้มันหยุดฟุ้งก็สั่งไม่ได้มันรุ่มร้อนสั่งให้มันสงบเจ็นก็สั่งไม่ได้นะแต่ว่าฝึกได้นะฝึกได้ฝึกได้ก็ต้องฝึกด้วยการสร้างเหตุสร้างปัจจัยเช่นเติมสติลงไปเติมความรู้สึกตัวลงไป และที่สำคัญคือเติมปัญญานะทำให้เห็นความจริงนะเมื่อแล้วก็ตามที่เรารู้ความจริงหเห็นความจริงนั่นแหละนะถึงจะทำให้ให้ความทุกข์มันหมดไปแม้ว่าสิ่งรอบตัวจะว้าวุ่นวุ่นวายแม้จะมีคนที่ไม่น่ารักหรือแม้แต่จะประสบความพัดพรากถ้าเห็นความจริงถ้าเข้าใจความจริงเมื่อไหร่เนี่ยคือหมดความหลงนะให้ความสงบเย็นก็เกิดขึ้นได้เจ็บป่วยนะ ก็ใจก็ยังสงบป่วยแต่กายใจสงบเพราะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะรู้ว่าให้ร่างกายนี่มันเป็นก้อนทุกข์นะถึงแม้วันนี้ไม่ทุกข์แต่ว่าวันหน้าก็จะทุกข์นะเจอความพัดพร้าแม้กระทั่งสูญเสียคนรักคนใกล้ชิดไปก็ไม่ทุกข์ในสายพุทธกาลนี่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อนางมาริกาเนี่ยเป็นเป็นภรรยาของเสนา บ, บดีคู่ใจ ของพระเจ้ารรประเสนธิโกศลเสนาบดีคนนี้ชื่อพันธุละก็มีเชื้อเจ้านะแล้วก็ที่สนิทสนมกับพระเจ้าปรเสนธิโกศลก็เพราะว่าเคยไปเรียนสํานักเดียวกันสํานักตักศิลาและทั้งสองคนก็มีความสามารถนะในวิชาการต่างๆรวมทั้งการสู้รบพันธุละนี่มีปัญหานะในบ้านเกิดเมืองนอนของตนก็เลยมามาอยู่กับ พระเจ้าปเสนยุโกศลพระเจ้าประเสนยุโกศลก็ให้เป็นเสนาบดีคู่ใจแต่ต่อมาเนี่ยพันธุล้เนี่ยสร้างศัตรูนะเพราะว่าทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไอ้คนที่เสียประโยชน์ก็เลยไปเป่าหูพระเจ้าปเสนยุโกศลพันธุล้านเนี่ยจะมีแผนร้ายจะเป็นกบฏจะยึดอํานาจนะพระเจ้าปรเสนยิโกศลเป็นคนหูเบานะ แล้วก็ระแวงเพราะพันธุรันที่เป็นคนเก่งเนะี่ยมีความสามารถแถมมีมีบริษัทบริวารเยอะโดยเฉพาะลูกเนี่ยนะมีลูกนะถึงสาสิบสองคนนะเป็นแฝดสิบหกคู่นะแฝดสิบหกคู่ก็สาิบสองคนเก่งทั้งนั้นนยะพระเจ้าปิทธิกรกุศลก็ระแวงแล้วก็เลยลวงให้ไปตายนะหลอกให้ไปทำงานแล้วก็มีคนซุ่มโ จ, จมตีฆ่า ทั้งแผนธุลาแล้วก็ลูกทั้งสิบสอคนข่าวร้ายเนี่ยก็มาถึงนางเมาลิกาในเช้าวันหนึ่งเป็นเช้าวันนั้นในนางมริกาก็กําลังกําลังเลี้ยงพระก็มีพระโมคคานาภะพระโมคคานาภ ะ, ะสายเบุตรเนี่ยแล้วก็พระอีกหลายรูป ก, ก็มีคนส่งจดหมายน้อยมาให้นางเมริกาตอนเช้าขณะที่กําลังเลี้ยงพระนางอ่านจดหมายเสร็จก็เก็บไว้ที่ชายพก แล้วก็ทำหน้าที่ต่อคือประเขนของประเขนอาหารในพระโดยมีคนใช้เนี่ยหรือนางทาสีเนี่ยช่วยด้วยก็ช่วงขณะนั้นเองนางทาสีเนี่ยเกิดทำจานใส่เนยตกนะแตกพระาระตรปิฎกอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยพูดกับนางเมริกาว่าของที่มันแตกได้เนี่ยมันก็แตกไปแล้วนะอย่าไปเสียใจเลยนางมริกาก็เลยบอกว่า ดิฉันไม่เสียใจหรอกนะเพราะว่าเมื่อเช้าแม้ก็เพราะาที่หนักกว่า น, นี้เนี่ยสูญเสียไปก็ไม่เสียใจเมื่อเช้าเนี่ยได้ข่าวว่าสามีและลูกทั้งสาสิบสองคนถูกฆ่าตายดิฉันก็ยังไม่เสียใจเลยนะเพราะฉันนับภาษาอะไรกับอ่าถ้วยใส่ชาอาใส่งาอาใส่เนยที่อเมริกาเนี่ยเจอความสูญเสียแบบเรียกว่าฉับพลันทันทีนะ ทั้งผัวทั้งลูกตายเนี่ยแต่ใจก็สงบได้ไม่ใช่เพราะไม่รักนะไม่ใช่เพราะไม่มีความผูกพันหรือห่วงใยแต่เพราะว่ามีปัญญาเห็นความจริงเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงชีวิตไม่จีรังเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอเรื่องร้ายเนี่ยใจก็สงบได้ไอ้ความการเห็นความจริงเนี่ยมันทําให้ไม่มีความยึด ต, ติดถือมั่นมากมีความรักแต่ว่ารักแบบไม่ยึดติดเพราะว่ารู้ว่ามันไม่เที่ยง สักวันหนึ่งก็ต้องมีความพัดเพ่าสูญเสียเป็นความสงบอย่างที่แท้จริงนะมันเกิดจากการที่มีปัญญาเห็นความจริงไม่ใช่เห็นด้วยด้วยเหตุผลนะหรือด้วยสมองอย่างเดียวนะแต่ว่าใจเนี่ยมันมันก็ยอมรับด้วยอันนี้เราเหตุผลกับหัวใจเหตุผลกับอารมณ์เนี่ยมันไปด้วยกันสมองกับหัวใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันคือเข้าถึงความจริงอันนี้แหละที่ผู้ใจเชิงว่ า, วาจักสู่เกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้วนะวิชาเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแลแสงสว่างเกิดขึ้นแลแกเล่เราคือพอมีปัญญาเห็นความจริงในเรื่องไตลักษ์นะไอความเรารู้ว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ว่าจะเป็นสุขยั่งยืนหรือว่าเป็นตัวเป็นตนก็ตามเนี่ยจิตก็เป็นอิสระความสงบเย็นก็เกิดขึ้นได้นี่ถ้าเกิดว่าเราพยายามเนี่ยนะฝึกจิตฝึกจังเราให้เข้าถึงความสงบเย็นนะอย่างนี้เนี่ยเข้าใกล้ความสงบเย็น ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีความโลภไม่มีความหลงเนื่องจากมีปัญญาเห็นความจริงจนพ้นโมหะได้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนะีเข้าถึงสุขอย่างแท้จริงนะและถึงแม้จะยังไม่เข้าถึงสุขในระดับที่ว่าเนี่ยจนหมดทุกข์อย่างสิ้นเชิงเนี่ยแต่ว่ามันก็ทําให้จิตใจมีความสงบ เ, เ, เย็นเป็นสุขแล้วความสงบเย็นเป็นสุขเนี่ยก็จะหล่อเลี้ยงให้เราเนี่ยสามารถจะ เอือ้อเฟือเ้อเกือ้อกูลผู้อื่นได้อย่างเต็มที่การเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลผู้อื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะมีเมตตาหรือกรุณนะพระเจ้าเนี่ยนะพระองค์มีกรุณาอย่างกว้างขวางไม่มีประมาณเรียกว่าอัปประมาณโนเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีปัญญาเห็นความจริงจนกระทั่งหมดทุกข์นะจิตเข้าถึงความสงบเย็นความสงบเย็นอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้เพราะมีปัญญา และเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการุณาก็คือมุ่งประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นอย่างกว้างขวางไม่มีเลือกที่รักบางที่ชังทรงเมตตาลาหุนซึ่งเป็นลูกเนี่ยเท่าเท่ากับที่ทรงเมตตาพระเทวทัตที่มุ่งร้ายจะหมายเอาชีวิตของพระองค์ไม่ได้แตกต่างกันเลยอันนี้เพราะว่า มีกรุณาอย่างยิ่งและกรุณานี่ก็เกิดขึ้นจากปัญญากรุณาปัญญานี่เป็นองค์คุณของพระพุทธเจ้านะจริงๆก็มีแค่สองนะหลักๆแต่บางทีท่านก็เพิ่มสามนะก็คือวิสุทธิคุณแล้วก็บางท่านก็ขยายเป็นร้อยนะเรียกว่าพุทธคุณร้อยบทนะแต่หลักๆเนี่ยคือปัญญากรุณาปัญญาทําให้เกิดประโยชน์ตนนะคือความสงบเย็นนะส่วนกรุณาก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ท่าน ้คนเราเนี่ยถ้าหากว่าพัฒนาจิตพัฒนาใจให้มีทั้งปัญญาและกรุณาเป็นลำดับไปเนี่ยนะก็จะเรียกว่าเป็นชีวิต ท, ที่สมบูรณ์มากแม้ว่ายัางต้องแก่ต้องเจ็บนะยังต้องพัดภา พ, พสูญเสี ย, ยงต้องตายนะแต่ว่าก็ไม่มีความทุกข์เข้ามาครอบงาแถมจะยังทำประโยชน์ให้สุขให้กับผู้อื่นได้ด้วย